ยินดีในที่สงัดชอบอยู่คนเดียวเงียบเงียบบนเขาวันหนึ่งเวลากลางคืนเดือนงหนคิดถึงผู้ตอบซึ่งเป็นเพื่อนปฏิบัติมาด้วยกันอันพำนักอยู่ในถ้ำและที่บริเวณนั้นเวลากลางคืนไม่มีคนเดินเพราะเงียบและเปลี่ยวแต่ถ้ำนั้นอยู่ใกล้ไม่ไกลมากนักผู้ถามลงจากเขาอาศัยแสงเดือนแล้วเดินไปพอถึงถ้ำประมาณยี่สบนาฬิกาคือสองทุ่มผู้ตอบจึงกล่าวว่า ท่านอุตสาหมหาข้าพเจ้ากลางคืนไม่กลัวเสือหรือพู้ถามจึงบอกว่าข้าพเจ้าไม่กลัวเพราะอาศัยอำนาจพระรัตนตรัยที่เรามีใจมั่นคงอยู่ในสารณะทั้งสามพู้ตอบจึงกล่าวว่าถูกแล้วข้าพเจ้าอยู่ในถ้ำเวลานี้ก็เป็นที่ป่าทางเปลี่ยวที่ไม่มีความหวาเสียวก็เพราะมั่นคงอยู่ในสารณะทั้งสามดังมีพระพุทธภาษิต ในทชักข้าศูตรซึ่งตรัสสอนภิกษุผู้มีราคะยังไม่ไปปราดจากสันดานว่าท่านทั้งหลายไปอยู่ในป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างเปล่าถ้าความกลัวเกิดขึ้นก็ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้าไมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ให้ระลึกถึงคุณพระธรรมถ้าไมระลึกถึงคุณพระธรรมก็ให้ระลึกถึงคุณพระสงฆ์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 เจ้านายสกยะและโกริยะถวายฝ่ายละ250อหองค์รวมกันเป็น5้าร้อองค์จะนำไปบวชแต่เจ้านายเหล่านั้นบางองค์มิได้ศรัทธาออกบวชเช่นพระนันทะเริ่มจะแต่งงานก็ทรงนำไปบวชเสียภิกษุเหล่านั้นยังไม่เห็นภัยในโลกโดยแท้จริงจึงมีความอลาลัยในมาตุคามคือสตรีอาศัยพระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาค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 ถามว่าการอยู่ในที่สงัดกับอยู่ในหมูนั้นต่างกันอย่างไรเอชนัยพระศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้ยินดีในที่สงัดตอบว่าต่างกันคือความเม่ตะคนด้วยหมูไม่เกี่ยวกับหมูเป็นกายวิเวกชื่อว่าการอยู่ในที่สงัดส่วนที่ตรงกันข้ามชื่อว่าอยู่ในหมู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 การห่างกามจึงไม่สบายเหมือนปลาที่เขานำขึ้นมาไว้บนบกฉะนั้นถามว่าจิตตาวิเวกหมายถึงฌานชั้นไหนตอบว่าตั้งแต่อุปจาราสมาธิตลอดกระทั่งรูปฌานสี่อรูปฌานสี่เหล่านี้เป็นจิตตาวิเวก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 วิปากวัฏเป็นวงจรสามวัตตะสามหรือวังวนสามหรือวงจรสามส่วนของปฏิจสมุบบาทหมุนเวียนเสืบอทอดต่อๆกันไปทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดหรือวงจรแห่งทุกข์ได้แก่กิเลสกรรมและวิบากเรียกเต็มว่ากิเลสวัฏป ร, ระกอบด้วยอวิชชาตันหาอุปาทาน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 ท่านถามปัญหาถึงเรื่องรู้เห็นในอริยามรรคอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่มีปัญญาจะตอบเพราะผู้บรรลุอริยามรารั้นต้องเป็นพระอริยตั้งแต่ชั้นโซดาบันขึ้นไปจึงจะตอบถูกเพราะท่านเคยบรรลุอริยามรร KN แต่ถึงเช่นนั้นท่านก็ปิดคุณธรรมของท่านคำนี้น่าจะหมายถึงว่าไม่เปิดเผยตัวนะครับ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 เป็นความเห็นที่เกิดขึ้นต่อจากจิตที่สงบแล้วและพ้นจากเจตนาด้วยถามว่าความคิดที่ปิดความเห็นนั้นเป็นอย่างไรส่วนจินตามยะปัญญานั้นก็ต้องคิดทำไมความคิดจึงไม่ปิดความเห็น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 ส่วนความเห็นที่ชัดเจนขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐินี่เป็นลนักษณะของจินตามยะปัญญาเพราะฉะนั้นสุตตมัยปัญญาหรือสุตตามยปัญญาจินตามัยปัญญ า, ร า, ะะตตญญาหรือตตญญจินตามยปัญญาภาวนาไมปัญญาหรือภาวนามยปัญญาทั้งสามอย่างนี้เวลาที่เกิดขึ้นนั้นผ้นเจตนาเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบทั้งนั้น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 ไม่ควรสงใจให้ออกไปนอกสติปัฏฐานจะได้ไม่มีความคิดที่ปิดความเห็นเพราะมีวิริยะสติสมาธิบริบูรณ์ขึ้นแล้วจะได้พิจารณาธาตุหกเป็นอนัตตาเมื่อความเห็นชัดเจนขึ้นเป็นอริยมรรคจะได้ถ่ายสังโยธรรมเบื้องต่ำและเบื้องบนให้หมดไปจากสันดาน ผู้ตอบกล่าวว่าสาทุข้าพเจ้าขออนุโมทนาการปฏิบัติเช่นนั้นเป็นสัมมาปฏิปทาอย่างดีทีเดียวสมด้วยพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนภิกษุว่าเตาหดอวัยวะไว้ในกระดองของตนชันใดภิกษุสะกดวิตกไว้ในใจฉันนั้นไม่อาศัยอะไรหมดไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นเป็นผู้ดับกิเลสหมด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 ไปเต็มแน่นอยู่ในนิรยาบายคือนรกดังนี้ผู้ถามกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังคาถาพระพุทธภาษิตตรัสสอนดังที่ท่านบรรยายมานี้รู้สึกทำใจให้คิดถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่มีอาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ที่จะแนะนำพร่ำสอนให้เราทั้งหลาย ได้รู้ทางที่จะดำเนินใจให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบถ้าเราจะไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระองค์ก็จะเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุท ธ, ธศาสนาตอบว่าถูกแล้วความดารีเช่นนั้นเป็นการสมควรทีเดียวถามว่า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 นิรามิตุกก็ยังดีเพราะเป็นความเย็นส่วนสามิตุกนั้นเป็นความร้อนผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วจึงละอามิตรในโลกเสียนิรามิต ท, ทุกคือทุกข์ไม่อิงอามิตรหมายถึงทุกข์ั้นต้นของบุคคลผู้พยายามเปลืองตนให้หลุดพ้นจากเหยื่อล่อทั้งปวง เป็นทุกข์ที่เกิดจากความเพียรเพื่อห้ามจิตไม่ให้พวักพวงถึงการมคุณและอาสวะกิเลสถามว่าอาริยะมากนั้นเป็นสังขารหรือวิสังขาร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 ประกอบด้วยองค์8ประการเตสังอคัมััชายติเราตถาคตกล่าวว่าเป็นยอดของสังคต ธ, ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้ถามว่าสิ่งอ ะ, อะไรในโลกนี้ที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองตลอดจนกระทั่งตัวของเราเองก็เป็นสังขาร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 ต้องละความยินดีในสังขารทั้งหลายให้หมดถ้าไปชอบสังขารอย่างใดไว้ก็ต้องได้สังขารอีกนั่นแหละถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะหายจากการที่เพ่งโทษผู้อื่นได้ขาดเช่นในเวลาที่เห็นคนทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวาจีทุจริตก็ทำใจให้ประกอบด้วยเมตตากรุณาใจที่เพ่งโทษ อาจหายไปได้ชั่วคราวแต่พอเมตตากรุณาเสื่อมไปใจชนิดนั้นอาจเกิดขึ้นได้อีกข้าพเจ้าไม่มีอุบายที่จะละได้เพราะฉะนั้นจึงต้องหนีจากหมูขึ้นมาอยู่บนเขาขอท่านจงช่วยบอกอุบายให้ด้วยตอบว่าการเพ่งโทษคนอื่นนั้นสำคัญนะัก เพราะขาดเมตตากรุณาเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนและคนอื่นสมด้วยพระพุทธภาษิตว่าปราวัชานุปัสิสะเมื่อบุคคลมักตามมองดูซึ่งโทษของผู้อื่นนิจจังอุชาณสั ญ, ญโนเป็นผู้มีความหมายจะยกโทษอยู่เป็นนิดอาสวะตัสสะวัฏทัทนติอาสวะทั้งหลาย ย่อมเจริญขึ้นแก่บุคคลนั้นอาราโศอาสวัคยาบุคคลนั้นเป็นผู้ห่างไกลจากธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะเพราะฉะนั้นควรทำในใจให้แยกออกไปเป็นอริย ส, สัตสีส่วนบุคคลนั้นต้องทำความเห็นว่าขันห้าหรืออยายตนะหกเป็นประเภททุกขสัต คือทุกขสัจจะความประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจของบุคคล น, นั้นเป็นสมุทยัยเพราะเขาไม่ได้เจริญมักจึงไม่ถึงนิโรธเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชอบหรือเพ่งโทษว่าไม่ดีก็ต้องเพ่งส่วนสมุทยัยส่วนคนนั้นเป็นขันห้าหรืออายตนะหก กลับจะน่าสงสารเพราะความทำผิดเช่นนั้นเป็นส่วนสมูทัยให้ทำเพราะผู้ที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็มีอริยสัตว์สองขันห้าอายตนะหกนั้นเป็นทุกขัตว์กิเลสความอยากนั้นเป็นสมูทยัยจึงได้ประพฤติกายทุจริตวาจีทุจริตมนโนทุจริตเหมือนทารกที่ไม่รู้จักไฟจึงได้จับ เราไม่ราบวรรนส่วนผู้ใหญ่เขาไม่จับเพราะเขาราบวรรนข้อนี้ฉันใดผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติก็ฉันนั้นผู้ถามกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติมีอริยสัจ ส, สองคือทุกข์กับสมุ ท, ทยัยเวลาที่เราเข้าไปเพ่งโทษ ขันหอายตนะหกของเราเป็นทุกข์สัตย์การเพ่งโทษเขานั้นเป็นสมุทยัยเวลานั้นเรากับเขาก็ไม่แปลกอะไรกันเพราะมีแต่ทุกข์กับสมุทัยสองอย่างเท่านั้นตอบว่าถูกแล้วถ้ามีทำความเห็นให้เป็นอริยสัตว์สี่ก็ยากที่จะหายจากใจที่เพ่งโทษคนอื่น ถามว่าถ้าเช่นนั้นพระเสขะบุคคลทั้งหลายผู้ทารรกิจของอริยสัจสีท่านคงไม่มีความเพ่งโทษผู้อื่นกระมังตอบว่าแน่ทีเดียวข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระเสขะบุคคลทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปยอมไม่เพ่งโทษคนอื่นจึงพ้นจากความเบียดเบียนเพราะพ้นจากความเบียดเบียนจึงพ้นจากบาป เพราะพ้นจากบาปจึงพ้นจากทุกขติเพราะพ้นจากความทุกขติคือได้ทากิจของอริยสัจสี่ท่านจึงไม่มีความเพ่งโทษใครๆอาสวะทั้งหลายจึงไม่เจริญขึ้นถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจนเป็นพระอาเสฆะอุ ค, คลคือพระอระหันต ถามว่าผู้ปฏิบัติเช่นกันลยานชนพระเสขาบุคคลพระอาเสขะบุคคลก็มีสติปัญฐาด้วยกันทั้งนั้นสติปัญฐาของท่านเหล่านั้นจะเหมือนกันหรือต่างกันตอบว่าต่างกันถ้าคิดตามแบบกัลยานชนจเจริญสติปัญฐาเพื่อจะรู้จริง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 ถามว่าทำไมธาตุทั้งหกไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงเมื่อพิจารณาดูก็น่าจะเห็นได้ง่ายส่วนการเห็นว่าธาตุทั้งหกเป็นของเทียงสุข ต, ตัวตนนั้นน่าจะเห็นได้ยากรอบฝืนธรรมดาแต่ทำไมจึงได้เห็นผิดตรงกันข้ามกับความจริงข้อนี้นะ่าอัศจรรย์นักขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจ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 มีลักษณะอย่างไรตอบว่าธาตุหกนั้นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอาก า, าศธาตุห้าอย่างนี้เป็นรูปวิญญาณธาตุเป็นนามเมื่อย่นลงเป็นนามเป็นรูปอย่างนี้แล้วส่วนรูปนั้น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 ถามว่าความทมในใจอย่างไรความเห็นที่ชัดเจนคือสมาทิฏฐิจึงจะเกิดขึ้นได้ขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังจะได้ดำเนินใจไปตามคำแนะนำของท่านตอบว่าคือมีสติสงบใจให้พ้นนิวรแล้วจึงสะกดอรอยดูความจริงของาธาตุทั้งหก มีลักษณะเกิดขึ้นเสื่อมไปตามความเป็นจริงอย่างไรที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะผู้ถามกล่าวว่าหน้าใจหายตั้งแต่เกิดมาเป็นคนก็ใส่ใจไว้ข้างเกิดไม่ได้ใส่ใจไว้ข้างดับเพราะฉะนั้นอัธยาสายใจคอจึงประกอบด้วยความประมาท และไม่รู้ตัวด้วยว่าเป็นผู้ประมาทสำคัญว่าไม่ประมาทก็ตั้งนับปีอายุว่าเข้าวัดมาได้ตั้งหลายๆสิบปีผู้ตอบรับว่าถูกแล้วเข้าวัดมาได้มากปีแต่ใจยังไม่รู้ความจริงและประกอบด้วยความประมาทปราศจากสติสัมปชัญญะไม่ได้ใส่ใจในการพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายว่า มีความเกิดขึ้นแล้วและเสื่อมไปเป็นธรรมดาแม้จะมีเวลาสงบระงับบ้างบางคราวก็มีส่วนน้อยเต็มทีใจที่ไม่มีสติมีส่วนมากกว่าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความเจริญในสัมมาปฏิบัติสมด้วยพระพุทธภาษิต ท, ที่ตรัสไว้ในพระธรรมบทตอนทันทวักหน้าส0สว่าโยจาวัตสัสตตังชีเว อปปสังอุทย พ, พยังก็ผู้ใดเมื่อไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปพึงเป็นอยู่ตลอดร้อยปีเอกาหังชีวิตตังเสรยโยปัสโนอุทภพยังความเป็นอยู่ชั่ววันเดียวของผู้ที่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปประเสรดกว่าถามว่า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 ว่าจะเป็นผู้ไกลาจากกิเลสกิเลสจะต้องไกลาจากเราถ้าเผลอไปกิเลสก็เกิดขึ้นอีกเวลาใดก็ต้องเสียสละคือละเสียเวลานั้นเหมือนอย่างภิกษุได้สิ่งของที่ไม่ควรเป็นนิสสคีท่านต้องเสียสละตามพระวินยัยทำตนให้บริสุทธิ์ฉันนั้นนี่ละชื่อว่าปหานาิจเป็นทางไกลาจากกิเลส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 ข้าพเจ้าเคยได้ยินเขาพูดกันถึงเรื่องพระนิพพานว่าอาญตนะอันหนึ่งมีอยู่แต่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่อากาศไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ตัวตนเช่นนั้นพระนิพพานก็สูญเปล่าเขาจึงไม่อยากไปพระนิพพานผู้ตอบกล่าวว่ากามทั้งหลายไม่มีในพระนิพพาน ผู้ที่กำหนดในกามยังมีความพอใจในรูปเป็นต้นจึงไม่ยินดีในพระ น, นิพพานพระนิพพานคือความสิ้นราคะโทสะโมหะระดับตัณหาที่เป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นเสียได้ทุกเป็นผลมีชาติการเกิดเป็นต้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระนิพพานแม้จะชื่อว่าเป็นอนัตตา แต่คงศูนย์เพราะ ก, กิเลสกับทุกข์เท่านั้นส่วนนิพพานธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่เที่ยงที่สุดนั้นยังคงมีอยู่ผู้ถามกล่าวว่านึกๆ ก, ก็น่าอัศจรรย์ใจเรื่องพระนิพพานสังขารทั้งหลายดับไปหมดแล้วจะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่สังขารคือสิ่งที่เหลืออยู่ พราะพระนิพพานนั้นเป็นวิสังขารข้าพเจ้าใส่ใจในเรื่องพระนิพพานเพราะนึกถึงแล้วทำใจให้โงนสนเท่ตกลงประพฤติปฏิบัติเรื่อยๆไปถึงพระนิพพานเมื่อไหร่ก็รู้ได้เองผู้ตอกกล่าวว่าพระนิพพานไม่ใช่ศูนย์คือของเก่าดับไป ของใหม่เกิดแทนเช่นพระโสดาบันละสังโยชนสามได้หมดทุกมีชาติเป็นต้นก็ดับไปได้มากที่เหลืออยู่ก็น้อยคือหนึ่งชาติสามชาติหรื อ, อยังช้าเพียงเจ็ดชาติและมีความไม่ตกตามเป็นธรรมดาคือปิดอบายแล้วเป็นผู้มีอริยมรรคกำหนดแน่แล้วมีอันจัตรสรู้ได้เองในเบื้องหน้า เพราะลาสักยะทิฏฐิหมดไปจึงมีสัมาทิฏฐิเกิดขึ้นแทนและลาวิจิกิจฉาหรือศิลพัส์หมดไปจึงมีอจฉลศรัทธามาแทนคือศรัทธาไม่หวั่นไหวมั่นคงเช่นพระสกทาคามีทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางจะมาเกิดในโลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ นี่เรียกว่าทำของเก่าให้หมดไปจึงมีของใหม่เกิดขึ้นแทนคือคุณธรรมที่ยิ่งกว่าพระโสดาบันขึ้นไปส่วนพระอนาคามีละสังโยชน่าเบื้องต่ำได้แล้วเกิดในสุทธาวาสโรโมโลกและจากปรินิพานในที่นั้นนี่เรียกว่าทำกิเลสและชาติภพซึ่งเป็นของเก่าให้หมดไปของใหม่เกิดขึ้นแทน คือเพราะท่านสิ้นไปจากกรารมราคะสังโยชน์จึงถึงพร้อมด้วยองคุณกล่าวคือใจที่สงัดจากกราร ม, มาแทนและท่านสิ้นไปจากปฏิฆะสังโยชน์จึงถึงพร้อมด้วยองคุณคือเมตากัุณามาเกิดแทนพระอริยาสาวกที่ได้บรรลุเสขคุณแล้วชื่อว่าสักุปาที่เสสนิพาน ส่วนพระอระหันต์ละตัณหาความอยากสิ้นแล้วสิ้นอาสวะอยู่จบโรมจันแล้วมีกิจที่ควรทาได้ทำเสร็จแล้วลงภาระแล้วมีประโยชน์ตนถึงโดยลำดับแล้วมีสังโยชนใภพสิ้นแล้วผลวิเศษแล้วเพราะรู้ทั่วถึงด้วยอาการอันชอบส่วนกิเลสอาสวะที่พระอระหันต์ละได้หมดสิ้นเชิงและสิ้นชาต ไม่มีปฏิสนธิในภพคืออนุปาทิเสสปรินิพานนี้ชื่อว่าธรรมของเก่าคือสมุทัยกับทุกข์ให้หมดไปของใหม่เกิดขึ้นแทนนั้นคือถึงพร้อมด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าอริยวาาธรรมคือธรรมะเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าสิบประการประการที่หนึ่ง ปัญจควิปหีโนมีองค์ห้าคือนิวรัลละเสียแล้วประการที่สองฉลังคัสมนนาณาคโตประกอบด้วยองค์หกคือฉลังคู่เบขาประการที่สมเอการักโขมีธรรมรักษาทั่วกันอันหนึ่งคือสติ ประการที่สจ่จตุราปรเสโนโมีธรรมะดังพนักเป็นที่อิงสี่อย่างคือพิจารณาแล้วจึงสองเสพอดทนหลบหลีกถ่ายถอนประการที่ห้าปนุณ น, นะปะเจกสัสจโอมีของจริงเฉพาะอันอันหนึ่งบรรเทาเสียแล้วคือละมิจฉาทิฏฐิสิบ อันเป็นอัพยากะตะวัตถุมีเห็นรูปเที่ยงเป็นต้นประการที่6สมวิยาสตะเทสโนมีความสแสวงหาอันให้สะเทือนละเสียดโดยชอบแล้วคือละความสแสวงหาสามอย่างคือกามหนึ่งภพหนึ่งรมจันทร์หนึ่ง ประการที่7อนนาวิลาสังกโปมีความดำมริอันไม่คุณมัวคือละความดำริที่ประกอบด้วยกิเลสกรรมวัตถุกรามและวีตกที่ประกอบด้วยพยาบาทและวิหิงสาประการที่8ปปัสัทธะกายาสังขารโรมีกายาสังขาร คือลมอัสสาสะระงับแล้วหมายถึงบรรลุจตุทถธาฌานฌานที่สประการที่9สุวิมุตตจิตโตมีจิตพ้นวิเศษดีแล้วคือมีจิตพ้นจากราคะโทสะโมหะประการที่ส0บสุวิมุตตปัญโย มีปัญญาพ้นวิเศษแล้วคือรู้ชัดว่าราคะโทสะโมหะเราละสิงหมดแล้วดังนี้พูดถามกล่าวรับว่าสาธุท่านอธิบายธรรมะชั้นสูงให้ข้าพเจ้าได้จำแจ้งดีในเรื่องพระนิพพานคือของเก่าได้แก่สมุทัยกับทุกข์ดับไป จึงมีคุณธรรมของใหม่เกิดขึ้นแทนซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่กำเริบเพราะมิใช่สังขารเพราะฉะนั้นพระนิพพานจึงไม่สูญข้าพเจ้าขออนุโมทนาความสามารถรอบรู้ในธรรมะที่ละเอียดเหล่านั้นกับท่านด้วย หมายเหตุจากผู้อ่านสำหรับคำว่านิพพานไม่ศูนย์นั้นในที่นี้ท่านใช้คำว่าศูนย์ที่สะกดด้วยสอศลานะครับเพื่อเข้าใจให้ตรงในเรื่องนี้อันเป็นหลักสําคัญมากของพุทธศาสนาที่หากเข้าใจผิดจะหลงทางแบบยากที่จะถอนตัวเพราะความเชื่อในระดับนี้ถ้าเชื่อผิดจะละอัตตาบรรลุธรรมไม่ได้นะครับจึงควรศึกษาให้ละเอียดรอบคอบ รอบเป็นการเข้าใจในขั้นละเอียดมีพุทธวจนะไว้ว่านิพพานังประมังสุนญ์ยังนิพพานว่างเปล่าอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นอนัตตาเป็นต้นการจะเข้าใจเรื่องศูนย์หรือไม่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องจริงก่อนด้วยนะครับว่าในบริบทนั้นหมายความถึงแง่ไหน แค่ไหนอย่างไรเพราะเจตนาในการอธิบายในแต่ละครั้งการเลือกใช้คาและแนวทางการอธิบายเพื่อให้ตรงกับเจตนาที่จะสอนคนบางคนบางกลุ่มบางเวลาอาจแตกต่างกันไปแม้จะเป็นหัวข้อเดียวกันก็ได้แต่ควรเข้าใจภาพรวมก่อนว่านิพพานคือความสิ้นทุกข์โดยสิ้นการสืบต่อให้เกิดรูปนามอีกแล้วซึ่งมีอยู่ชัด ในหลักปฏิ จ, จะสมุปบาทคือเมื่ออวิชชาดับตัณหาไล่ลงมาจนถึงรูปนามชาติพบต้องดับไปด้วยการเข้าใจว่าไม่สูญในหัวข้อนี้อีกตัวอย่างที่เข้ากับการอธิบายแบบนี้คือคราวที่พระสาวรีบุตรอธิบายเรื่องตายแล้วสูญหรือไม่ซึ่งทันชีให้เห็นว่าเมื่อไม่มีเราเกิดมาจึงไม่มีเราสูญไปเมื่อตายแล้ว จึงไม่ถือว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์เป็นเพียงการเกิดขึ้นแลดับไปเท่านั้นในหนังสือนี้ท่านอธิบายมีสำนวนคล้ายกับการที่พระสารีบุตรอธิบายนะครับซึ่งจะเห็นตามได้ง่ายว่าสิ่งเก่าดับไปมีสิ่งใหม่มาแทนจะได้ไม่ต้องไปติดค้างในใจว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์ยังมีอะไรอีกหรือจากคำถามคือเพื่อแนะนาคนที่กลัวการถึงนิพพาน ที่ยังมีใจยึดติดอยู่มากให้เห็นภาพชัดเพราะคนจำนวนมากที่พอฟังว่านิพพานว่างเปล่าศูนย์เปล่าไม่มีตัวตนจึงไม่อยากมุ่งสู่นิพพานอันจะทำให้เสียประโยชน์การอธิบายแบบนี้มีผลให้คลายสงสัยได้ในเรื่องนิพพานว่าเป็นแบบไหนอย่างไรจะได้ตั้งหน้ามุ่งสู่จุดหมายไม่ต้องเกิดนิวรณ์ความสงสัยซึ่งเป็นเหตุขัดขวางการบรรลุธรรมนะครับ เพราะการเดินทางเพื่อพ้นทุก์ต้องปฏิบัติให้ตรงหลักก่อนต้องไม่มามัวสงสัยในสิ่งที่เหนือความสามารถจะรู้เห็นได้ซึ่งจะรู้ได้จริงก็ต่อเมื่อไปถึงจุดหมายแล้วเท่านั้นแต่การเดินทางก็ต้องอยู่ในกรอบคือรู้จักอริยสัจดำเนินมรรคให้ครบถ้วนก่อนถ้าทำตามนี้ได้จริงจุดหมายจะเป็นแบบไหนไม่จาเป็นต้องสงสัย การอธิบายของครูบาอาจารย์แต่ละท่านนั้นมีจุดประสงค์เพื่อนายาแฝงต่างกันไปจึงควรทำความเข้าใจและเทียบเคียงการอธิบายธรรมในภาพรวมประมวลผลออกมาให้ตรงทางด้วยอย่าจับแค่บางประโยคบางส่วนมาเหมารวมว่าต้องเป็นแบบนั้นทราบได้ที่เรายังไม่บรรลุธรรมจริงมีโอกาสได้มากที่จะตีความธรร ม, มกตามกิเลสได้ง่ายซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง สำหรับผู้สนใจทำจำนวนมากที่พลาดโดนคิเลส ต, ตัวเองหลอกจนเชื่อสนิทใจและหลงเดินทางผิดยังถอนตัวได้ยากมากนะครับอย่าลืมคำสอนของพระพุทธองค์ในเรื่องนี้ว่าอย่าปักใจเชื่อว่ารู้ธรรมเห็นธรรมจริงจนกว่าจะบรรลุอรหันต์เท่านั้นในขั้นปฏิบัติยังมีสิ่งหลอกจิตที่ทำคนหลงผิดกันมามากแล้วดังนั้นเพื่อผลดีกับตัวทุกท่านเอง จึงควรใส่ใจจุดนี้ด้วยว่าถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์จริงก็ควรเผื่อใจไว้เสมอว่าสิ่งที่เรารู้อาจยังไม่ใช่ของแท้ยังไม่ควรเชื่อสนิทใจเป็นการอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างแท้จริงควรศึกษาปริยัติให้เข้าใจครบถ้วนซึ่งหลักสำคัญเพื่อตรวจสอบแนวทางที่ต้องเดินท่านก็สอนไว้หมดแล้วมีชัดในเรื่องกิจในอริยสั์และมรรค ขอแค่ไม่ประมาทมีความเพียรต่อเนื่องจริงก็มั่นใจได้ว่าต้องไปถึงที่สุดทุกได้ในวันหนึ่งแน่นอนหนังสือของแม่ชีคุณหญิงใหญ่มีทั้งหมดหชุดเปรียบเสมือนการสรุปพระไตรปิฎกมาให้ศึกษาได้โดยง่ายจึงควรใส่ใจศึกษาให้รอบคอบโดยเทียบเคียงเนื้อหาทั้งหมดก่อนนะครับว่าขัดแย้งกันหรือไม่ถ้าจุดไหนขัดแย้งกัน ควรสงสัยไว้ก่อนว่าเราอาจตีความผิดได้และอาจยังไม่รู้ในธรรมานั้นจริงซึ่งหลายท่านน่าจะเคยเจอกับตัวเองมาแล้วนะครับว่าการที่คิดว่าเข้าใจธรรมะเรื่องใดที่เคยฟังในอดีตพอเวลาผ่านไปกลับมาฟังใหม่ก็พบว่าที่เคยเข้าใจนั้นยังไม่ตรงซะทีเดียวเมื่อภูมิจิตภูมิธรรมสูงขึ้นมาฟังอีกครั้งก็จะเห็นได้ชัดว่า เข้าใจลึกขึ้นกว้างขวางขึ้นชัดขึ้นกว่าเก่ามากหรือบางครั้งก็เห็นชัดเลยว่าที่เคยคิดว่าเข้าใจนั้นเข้าใจผิดทั้งหมดเลยก็มีนะครับซึ่งวิธีพิจารณาความถูกต้องของธรรมะนี้พระพุทธองค์ก็ทรงสอนไว้โดยให้เทียบทั้งสามปิดกต้องลงกันได้ต้องอยู่ในหลักว่าสิ่งนั้นทำาลกุศลเจริญอกุศลเสื่อมลงทาแล้วเชื่อแล้ว ต้องละวางความเข้าใจว่าเป็นอัตราตัวตนลงได้เป็นตน้นแต่สำคัญที่สุดท่านไม่ให้ด่วนเชื่อในธรรมะใดทั้งที่คิดว่ารู้หรือรู้มาจากใครก็ตามจะเชื่อสนิทใจได้ต้องบรรลุอรหันต์ก่อนเท่านั้นจึงขอฝากทุกท่านไว้พิจารณาด้วยนะครับ